ตอนที่สิี่ลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมด้วยเหตุนี้ในวันต่อมาเขาจึงรีบตัดหน้าชูชื้อไปส่งของม่นที่จวนกัวกรงเย่เยาจึงเลี่ยงที่จะไม่แต่งงานไม่ได้จริงๆเจ้าคนสารเลวนี่เย่เยาพึมพำด่าเบาๆพี่สภพยสั่งให้คนขับรถม้าอ้อมไปอีกทางเพื่อคนสัมภาระกลับไปส่วนนางพายหญิงรับใช้ทั้งสองเดินลงจากรถมา้าไปพร้อมกับเย่เยาระยะทางอีกไม่ไกลนักเดินไปก็ยอมได้ เมื่อได้ยินเย่ ย, aw, ยาว พ, พึมพำดาพี่สะายก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเจ้าด่าใครกันจะยังมีใครอีกเล่าก็มีแต่หลิงเซินคนนี้ใส่เด็กคนนั้นแหละที่ทําเรื่องพันนี้ออกมาได้เรื่องเมื่อวานพี่สะพายยังไม่รู้เจียนเจียกับไปลู่จึงรีบเข้าไปกระซิบข้างหูเล่าเหตุการณ์ในช่วงสองวันที่ผ่านมาให้นางฟังอย่างละเอียดและรวดเร็วนางถึงกับบางอ้อและรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่แท้เป็นเสื้อจืดที่คอยขัดขวางอยู่เบื้องหลังดักรอคุณชายเปียวกลางทางแล้วชิมมาสู่ขอตัดหน้าไปก่อนออย่างนนั้หรื แต่ยาวๆเจ้าแอบไปหาคุณชายเปี่ยวเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เขามาสู่ขอแล้วซื่อจื่อรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรที่สไภซ์เป็นคนหัวไวถามได้ตรงจุดพอดีนอกจากเรื่องที่นางกลับชาติมาเกิดซึ่งบอกไม่ได้แล้วเรื่องอื่นเยี่ยวก็ไม่ได้คิดจะปิดบังที่สไภซ์ข้าเองก็เพิ่งรู้ในวันนี้วันนั้นที่ข้าไปหาชูชื้อที่หอทิงสเสวียหลินเซินก็อยู่ที่นั่นได้แถมยังได้ยินทุกอย่างที่สไพซชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหลุดหัวเราะออกมา ที่แท้เป็นเพราะซื่อจืดได้ยินเจ้าบอกว่าเขาไร้น้ํายาถึงได้วางแผนมากมายขนาดนี้เพื่อยั้งตัวเจ้ามาจากมือของคุณชายเปียวเย่เยาถอนหายใจและพยักนั่งเงียบเงียบในที่สุดพี่สะพายก็เข้าใจที่มาที่ไปทั้งหมดเสียทีในเมื่อเจ้าไม่อยากแต่งงานกับเขาขนาดนี้แล้วเหตุใดวันนี้ถึงยังนัดเขาและเสี่ยชิงจืดมาล่องเรือในทะเลสาบอีกละ่ะเย่เยาถอนหายใจอีกครั้ง พี่สะพายท่านก็รู้เมื่อมีราชาองการพระราชาทานสมรสออกมาค่าก็จะตกเป็นเป้าหมายของพวกสายลับทันทีแล้วซื่อจือเขาจะไม่ปกป้องค่าให้ปลอดภัยได้อย่างไรพี่สะพายมองนางปราดเดียวก็ทะลุปรุโ ป, ปร่งเกรงว่าคงไม่ได้มีเพียงเท่านี้กระมังเจ้ายังอยากใช้โอกาสนี้ล่อสายลับออกมาและถ้าจะให้ดีก็คือจับตัวให้ได้ขนังคาเขาดังนั้นถึงได้มีมือสังหารปรากฏตัวขึ้นเมื่อครู่นี้ใช่หรือไม่ เป็นอย่างที่คิดพี่สะพายรู้ทันไปเสียทุกเรื่องเยี่ยยาจึงพยักหน้ายอมรับแต่โดยดีพี่สะพ้ยายใช้นิ้วจิ้มหน้าผากนางด้วยความเอ็นดูจะไม่กลัวบ้างหรือว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆจะทําอย่างไรท่านพอกับพี่ชายของเจ้าต้องตกใจและเป็นห่วงมากเพียงใดไม่หลอกเจ้าคะ่ะเยี่ยยาวกล่าวอย่างมั่นใจด้วยวรยุทธ์ของลิงเซิร์บวกกับเหล่าองครักต่อให้มีมือสังหารแบบนี้มาเพิ่มอีกไม่กี่คนก็ไม่มีปัญหาพี่สะพายอดไม่ได้ที่จะรี่ตามองสำรวจนาง เยาเยเจ้าดูเหมือนจะรู้จักซื่อจะดีเหลือเกินนะแถมยังดูมั่นใจในตัวเขามากด้วยเยี่ยวยาวเขาเป็นถึงผู้บัญชาการกองทหารองครักษาหมื่นนายเรื่องที่เขาวรยุทธ์สูงส่งค่าเองก็เคยได้ยินมานานแล้วมือสังหารเทียไม่กี่คนไม่นัาเป็นอะไรหรอกเจ้าคะ่ะใหญ่เซี่ยชิงจือนั่นต่างหากที่เป็นตัวถ่วงไม่อย่างนั้นคงจับมือสังหารได้ตั้งนานแล้วพอนึกถึงตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ชวนานางมาด้วยเลยจริงๆ พี่สะพายยังคงหลีตามองสำรวจเย่เยาอยู่นานก่อนจะยิ้มออกมาและไม่ซักเซี๊ยอีเอาเป็นว่าวันหน้าเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีห้ามทำเรื่องบุบบามแบบนี้อีกเย่เยาพยักหน้ายอย่างว่าง่ายเจ้ากับข้าจะฟังพี่สะพายข่าวเรื่องการลอบสังหารขณะล่องเรือในทะเลสาบแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเดิมทีเย่ยหูเสียและบุตรชัยยังคงครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อเรื่องสายลับแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สงสัยอีกต่อไป ลินเซนปกป้องแม้กระทั่งเยี่ยวยังไม่ได้ทำให้พวกเขาโกรธจนรายงานเรื่องนี้ต่อราชสำนักฝ่าบาทจึงทรงมีรับสั่งให้ลินเซินทําการไถ่โทษด้วยการจับตัวมือสังหารมาให้ได้ภาพวาดเหมือนของสายลับถูกติดประกาศไปทั่วทุกหัวระแหงอย่าว่าแต่จะมาที่จวนกัวกงเลยเพียงแค่สายลับปรากฏตัวก็ยากที่จะหนีรอดไปได้จวนกัวกงยินได้เพิ่มกําลังทหารอารักขาขึ้นอีกหลายเท่าเยี่ยยาวจึงไม่ต้องกังวลว่าตนเองจะถูกสายลับลักพาตัวไปอีก ท่านผู้เฒ่าทั้งสองเพิ่งจะได้ยินเรื่องนี้ในวันต่อมาพวกท่านร้อนใจจนต้องใช้ไม้เท้าพยุมันมาแล้วด่าทอยเย่หูเสียและบุตรชายอย่างหนักสายลับและมือสังหารลงมือก่อเหตุกลางวันแสกแสกเกือบจะทำร้ายยาวๆจนถึงแก่ชีวิตพวกเจ้าพ่อลูกมัวแต่ทำอะไรกันอยู่เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ทั้งคู่แต่กลับปกป้องลูกสาวและน้องสาวไม่ได้หากยาวๆเป็นอะไรไปแม้เพียงนิดเดียวยายกับอย่างข้าไม่เอาพวกเจ้าไว้แน่สองพ่อลูกไม่กล้าเอ่ยปากแม้แต่คำเดียวได้แต่ก้มหน้าพยักหน้ายอมรับผิด พี่สะพ้ยรีพายเยี่ยอม เ, เข้ามาช่วยพูดปลอบใจทัาญยาท่านปู่พวกท่านดูสิเจ้ า, ข, าข้าไม่เป็นไรเลยพอเย่ยอมมาถึงท่านพูดเท่าทั้งสองก็รุมล้อมนางถามโน้นถามนี่มากมายไม่แน่ใจว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บจึงค่อยเบาใจลงได้บ้างแต่กระนั้นก็ยังมีวายถลึงตาใส่บุตรชายและหลานชายครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่เป็นไรหากมีคราวหน้าแล้วปล่อยให้เย่เย่ยตกอยู่ในอันตรายอีกข้าไม่เอาพวกเจ้าไวจ้จริงๆด้วย ท่านย่าตื่นเต้นจนเกินไปโรคเก่าจึงกำเริบและเริ่มหอบขึ้นมาทุกคนในครอบครัวต่างรีบพานางกลับห้องและเชิญท่านหมอหลีมาตรวจอาการท่านหมอหลีคุ้นเคยกับอาการป่วยดีจึงสามารถทําให้อาการคงที่ได้อย่างรวดเร็วยี่เยาเหลือไปเห็นลูกประคำในมือของท่านยา่าเมื่อเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นหอมประหลาดนั้นท่านย่าลูกประคำนี้ท่านสวมติดตัวตลอดเลยหรือเจ้าคะท่านย่าตอบว่าการไหวพระต้องมีความศรัทธาแน่นอนว่าต้องสวมติดตัวไว้ตลอดข้าขอดูหน่อยได้ไหมเจ้าคะ ท่านย่ถอดส่งให้ด้วยความเต็มใจหากเจ้าชอบข้าก็ยกให้เจ้าถือเสียว่าเป็นเครื่องรางคุ้มครองเย่เย่ารับลูกประคำมาและมั่นใจว่ามันเหมือนกับที่นางเห็นในร้านเจริญเป่าใจไม่มีผิดเพี้ยนนางจึงเฉวยโอกาสที่ท่านหมอหลี่ยังอยู่ส่งมันไปให้เขาท่านหมอหลี่รบกวนท่านช่วยดูหน่อยเจ้ากล่ว่าลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมนี้มีอะไรผิดปกติหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของท่านหมอหลี่ก็เปลี่ยนไปทันทีคุณหนูบอกว่านี่คือลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมอย่างนั้นหรือ ใช่เจ้าคะ่ะท่านหมอหลี่พลันมีท่าทีราวกับเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดเขาหยิบสายประคำขึ้นมาพิจารณาอย่างระมัดระวังครั้งแล้วครั้งเล่าสีหน้าเคร่งครึมถึงขีดสุดเย่เยาร้อนใจเป็นอย่างไรบ้างท่านหมอหลีสิ่งนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านหมอหลีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมนี้มีสรรพคุณเป็นเลิศในการบำรุงกำหนัดและหมุนเวียนโลหิตสำหรับบุรุษครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมอย่างมากในแดนประจิม ทว่าสำหรับสตรีแล้วฤทธิยาของมันกลับชั่วร้ายยิ่งนักหากสมใส่เป็นเวลา น, านานจะบั่นทอนพลังชีวิตและวรยุทธ์หากอาการหนักอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกคนในที่นั้นสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงข้อสงสัยของเย่เยาได้รับการยืนยันในที่สุดมีน่าเล่าสุขภาพของท่านย่าถึงได้ทรุดโทรมลงทุกวันส่วนท่านปู่ก็มักจะมีเลือด ก, กำเดาไหลยอยู่เสมอที่แท้ตัวการร้ายก็คือสิ่งนี้นี่เองท่านปู่โกรธจนตัวสัน่น ที่แท้เป็นพระเจ้านี่เองที่ทําให้คนแก่อย่างข้าต้องเสียชื่อเสียงในยามแก่พี่ชายของชั่วร้ายเช่นนี้มาปรากฏอยู่ในจวนกัวกงได้อย่างไรกันที่สภัยครุ่นคิดข้าจําได้ว่าสายประคําเส้นนี้ทัญญาเพิ่นจะเริ่มสวมใส่เมื่อประมาณครึ่งปีก่อนใช่แล้วอาการป่วยของทัญญาและอาการของท่านปู่ล้วนเริ่มขึ้นเมื่อครึ่งปีก่อนทั้งสิ้นในใจของเย่ยังมีคําตอบอยู่แล้วยังไม่ทันที่คนอื่นจะเอ่ยถามบ่าวเฝ้าประตูก็เข้ามาแจ้งท่านกัวกง สิ้นหวังเฟยเสด็จมาภัยค า, าตรัสว่าต้องการมาขอบคุณคุณหนูเย่เยาวยิ้มเย็นมาได้จังหวะพอดีหลินเซินและเซี่ยชิงจือร่วมเดินทางมาด้วยบ่าวในจวนนำทางทั้งสามคนไปยังเรือนของสองผู้เท่าจนถึงหน้าเตียงนอนบรรยากาศดูแปลกประหลาดพิกล ค, คนในจวนกัวกงต่างพากันปั้นหน้ายักย้ายทําให้ทั้งสามคนรู้สึกประหลาดใจยิ่งนักเมื่อได้เห็นหวางเฟยบาดแผลจากชาติปางก่อนของเย่เยาวก็ถูกเปิดออกอีกครั้ง เจ้าที่เป็นคนบาปยังบังอาจหวังตำแหน่งซื่อจื้อเฟยไปอีกนานแค่ไหนก็พระนางแพทย์สยายอย่างเจ้าหวางเย่ถึงต้องตายอย่างอนาถหลังจากคลอดเด็กคนนี้ออกมาแล้วเจ้าก็ใส่หัวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ชิงจือต่างหากที่เป็นซื่อจือเฟยของเซินเอ๋ออย่างถูกต้องตามพานองคลองธรรมนางเป็นบุตรสาวของอดีตเสนาบดีกรมกลาโหมย่อมคู่ควรกับเซินเอ๋อมากกว่าทา ย, ยาทของคนบาปอย่างเจ้า เย่ยาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆคนของโจนสิ้นอ๋องไม่ต้องใช้คําพูดมากมายก็สามารถจุดไฟโทสะของนางให้ลูกโชนได้อย่างง่ายดายหวังเฟยแย้มสวนพังเอ่ยเมื่อวันต้องขอบใจ ย, ว ย, วยาวๆที่หูเวตวัยช่วยชิงจือเอาไว้วันนี้ค่าจึงตั้งใจเตรียมของขวัญลําค่ามาเพื่อขอบคุณนางกํานันที่ติดตามมาถวายของขวัญกองพเนรแต่คนสกุลเย่ ก, กลับไม่มีใครปลายตามองแม้แต่น้อยที่สะพายในฐานะผู้ดูแลเรือนยิ้มตอบตามมารยาสั่งให้คนมารับของขวัญไปทว่าท่าทีกับเย็นชาและห่างเหิน ทั้ง3คนต่างพากันสงสัยเย่เยาจึงเอ่ยประชดประชันด้วยน้ำเสียงเย็นชาแฝงความในหวังเฟยช่างมีน้ำใจเหลือเกิน